อาลัยนชาอิทอานอัลลอฮิอัลลอฮฺ j a Jah. و ج ز ا ء ا ل ْ س ي ِّ ئ َ ة س ي ئ ة و َ ج ا ء س ي ئ ة س ي وَأَصْلَحَ ف َ أ َ ج ْ و ُ عَلَى ا ل ل ه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 วรรกา نفسه و ز จินะอาร์ช د วามิดาดค ي มันที่ยั่วเยี่ยงอยู่อยู่บีรักมาที่ก็อสต้ากิสอัลลิฮ์ชานีคือและว ل าและตีนี้อี ا ل เนฟซ์ทัศน์ต ا อินพัศ ا ีอัล ل อฮ์และอัลลอฮ์มัฟฟัต ي ร์สัมภาระและ ل ัลล ه ฮ์อัลก أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان و ش วชั่ร ن ชัย ر ف على نفسي س ีว ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش ะเพด د ฮูลาชรีคละลหุลมุลกุ ل ลหุลฮัมดุวะวะล ل คพี่น้องที่ร่วมนมาบที่มัสยิด อนุวาริสุนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการสวรรค์ในบ้านนะครับเตฟิวุกูานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลเรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เพราะอัลลอ์ให้นะครับอย่าคิดว่าเป็นความเก่งของเราอย่าคิดนะครับพี่น้องนี่เราให้ก ำ, กำลังใกายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เรามีปัจจัยโลกดุนยาไม่มากมีพออยู่ได้แต่เราก็ต้องขอบคุณอัลลอ์เพราะปัจจัยดุนยาที่อัลลอ์ให้เราเนี่ยเป็นชั่วคราวทั้งหมดนะแต่ส่วนปัจจัยที่พาติดตัวเราไปก็คืออามัที่ศแหละอย่างมานะมาที่มัสยิดการนมาดห้าเวลาเก็บนมาดสุนัต เราวาดติดทั้งหมดลุกขึ้นนมาตะหันยุดธกยามุลเลลนมาดวิเอร์นะครับแล้วก็นมาดดูฮาทั้งหมดเหล่านี้เป็นอามันติโอเลอ่านกุรอ่านเป็นอามันติโซเลที่เป็นริสกีทาวอนนะครับที่สามารถพาติดตัวเราไปได้ในโลกอาคริรอนนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรามานั่ง เรียนตับเีกกันนี่นะครับปีนี้ปีที่น่าจะเป็นสี่สิบแล้วนี่สี่สิบปีแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละกเนี่ยรอลลให้นะครับมาใช่ความเก่งของเราเลยสักดิดนหนึ่งนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณอลอ้อนนะครับเรามาทบทวออนอัลกุรอานมาอ่านอัลกุรอานมาถึงสูรอชูรอพี่น้องก็ต้องจำัพทบด้วยนะ <c oughs> ชูรอแปลว่าอะไรนะประชุมแต่ว่าปรึกษาหารือกัน เป็นงานศาสนาทั้งหมดบรรดาช า, าบ้านนะบีน่ะเขาประชุมกันไหมประชุมกันนบีก็ประชุมกันประชุมเรื่องอะไรเรื่องอย่างนี้เช่นจะออกสงครามพออัลลอฮ์สั่งใ น, ะนกฟีบาให้ให้ปกป้องอิสลามจะปกป้องอิสลามก็ต้องมีมีคนใช่ไหมล่ะแล้วก็มีอาวุธมีเงินนบีก็จะประชุม ถ้าเรื่องศาสนาเรื่องฮารอมฮารานเนี่ฟังอัลลอฮ์ไม่ต้องประชุมนบีสั่งเลยสั่งสั่งสั่งใช่ไหมแต่ในเรื่องดุนยาเนี่ยต้องประชุมฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะของที่นบีปฏิบัติถ้าเป็นศาสนาเนี่ยไม่ต้องประชุมมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยคนที่เข้าใจสุนนะเนีบีเขาก็เาจะเข้าใจเขาพูดดีนะ แต่ น, นี่เวลาคนไม่เข้าใจจะพูดอย่างนี้ทําตามนาบีทุเรื่องเลยเหรออย่างนาบีไปทําฮัทเนี่ยเขาขี่อูดไปก็เอาอูดอาอูดไปสิขี่อูดไปเลยไปเครื่องบินทําไมนี่คนพูดไม่เข้าใจอะ่ะคือ ง, งานดุนยาวิธีการที่จะไปทําฮัทเนี่ยนบีสมัยนั้นก็มีอูดสมัยนี้ก็มีเครื่องบินบางคนไปจักรยานก็มีบางคนภัย ทีบรถไปก็มีบางคนเดินไปก็มีใช่ไหมนะพนุนบีนาบีก็เดินไปก็มีใช่ไแล้วก็ต้องแย ก, กว่าอันนี้เป็นงานดุญยาหรือ ง, งานาศาสนามันต้องแยกเป็นไม่ใช่ดาก็าอย่างเดีย ว, วนะนะครับ <c oughs> เอาวันนี้มาถึงอาย อ, อ, อายะที่ไรนะสามสิบ38ดนะครับอายะที่3าสิบ็ดของอาทิตย์ที่แล้วนะครับขอทวนนะครับ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วนะครับอลัลลอ์เล่าถึงลิลลาดีนาอามานูสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออลัลลอ์มีสุขัตมีคุณลักษณะสำหรับผู้ศรัทธาต่ออลัลลอ์เนี่ยต้องมีนิสัยแบบนี้ไม่เหมือนคนกาเฟ่เนี่ยอลัลลอ์ชมนะอลัลลอ์ชมนะว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยตรงตามมัลลุคุรา น, รานข้อที่หนึ่ง وعلى ربهم يتوكلون อะย่าที่สามสิบบอก و ย ل ى ربهم يتوكلون คือ <ون> ไม่แปลว่าอะไรพวกเขาทั้งหลายนั้นมอบความไว้วางใจกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาคือสาเหตุของอะย่าที่ลงอะยานีเนะ่ยเพราะท่านอบูบักเนี่ยวันนั้นผมไม่ได้เล่านี่ยท่านอบูบักเนี่ย บริจาคน บ, บียังมีชีวิตอยู่บริจาคหมดเลยเงินของเขาที่มีอยู่ในบ้านน่บริจาคหมดชาวบ้านก็ตำหนิชาวบ้านนี่ทุกเรื่องนั่นแหละใครทำดีเกินไปก็ด่าเขาก็ตำหนิ่พราะตำหนิอัลลอฮฺประทานอันเออเมอประเ บ, บริจาคพอเปล่าแปดมื่น เงินในวันนั้นนะแปด0มืนสมัยนี้เท่าไร่ะหลายล้านนะบริจาคหมดเลยพอบริจาคหมดก็ในตมิติคุตุบีอธิบายบอกว่าประชาชนชาวบ้านเนี่ยตมนิท่านอบูบักอัลลอ์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาที่ท่านอบูบักเนี่ยบริจาคน่ทั้งหมดเนี่ยเพราะไว้วางใจในอัลลอ อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งคนที่มอบชีวิตของเขาเพื่อเราก็ไม่อยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นไม่ีใครทงวาเราบริจาคหมดเลยหนโอเราใครก็ทำยิงสมัยนี่นะมีบ้างก็สนี่สำรวจดูตัวเองก่อนแล้วกันเอาละอัลลอฮ์ประทานอันกรอาญาณนี้ลงมาที่เขามอบเงินทั้งหมดให้นบีมะเผยแร่อิสลามเนี่ยเพราะ คนเหล่านั้นเนี่ยวะอาดาโรบบิหิมยะตะวักกลูนวกเข่าอะไรนะมอบความไว้วางใจในพระผู้อาภิบาลของเขานี่เป็นสิทัิข้อที่หนึ่งสิทที่สองวันลาลีนายัจตานิบูนากบาย ร, รลอลิสสิทธิ์ทีว่าคุณลักษณะข้อที่สองที่อัลลอ์ชมนะและบรรดาผู้ที่ละทิง้งนะครับหรือปก ป, ป้อง ตนเองให้พ้นจากกะบาอิรอลิสมบาปใหญ่ๆหญ่บาปใหญ่นี่มีประมาณร้อยกว่าบาปนะครับเช่นอะไรบ้างทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองบาปใหญ่โอไม่ <c oughs> โกงเงินชาวบ้านบาปใหญ่ไม่มีตั้งร้อยอ่ะมันมีเวลาอธิบายอย่างนะ วันฟะวาให้ชแล้วก็เรื่องลามกเรื่องลามกในตัำเสนหลายเล่มอธิบายเรื่องมาถึงเรื่องจีนาออเรื่องเจ้าชู้นี่แหละมีหู ม, มีตามีมือที่อัลลอ์ให้ไว้เนี่ยถ้าไปใช้ผิดที่เนี่ยอันตรายนะเนี่เตือนตลอดเวลานะครับเอาต่อมาเรื่องที่สามว <P an ian> ิธามาโอดีบูหุมยาฟิรูนเมื่อเวลาเขาโกรธ เขาให้อภัยอัลลอฮฺว่านี่สิฟัดนี่หนักได้ไหมหนักหนักมากครับโกรธแล้วให้อภัยมีเปล่าอัลลอฮฺตัวอย่างในอิสลามเยอะมากครับอย่างท่านอบูบักเนี่ยอธิบายเล็กน้อยนะทูกดา่าคนกาเฟ่เนี่มาดา่าท่านอบูบักมองไม่เห็นนบีเรื่องเป็นอย่างนี้นบีกับท่านอบูบักเนี่ยอยู่ข้างนอกเดินออกมาข้างนอก ขนะอุปัชเห็นศัตรูออกมาบอกกันนบนบีบอกเนี่ศัตรูมาแล้วนะ่ะนบีก็บอกว่าวันนี้เขามองไม่เห็นฉันก็มล า, ายกามายืนบังเอาไว้มองไม่เห็นนบีชายคนนี้เดินมาก็มาด่าท่านอุปัชด่าด่ า, ด า, ด า, ดาท่านไม่เอาเรื่องปล่อยไป อันรอกัะทานอันอานรูมาเนี่ยว่าอ uh um ิจามารดีบูฮุมยาฟิรูมในเวลาเขาโกรธเขาให้อภัยแต่เวลาถูกด่ามากๆเขาท่านก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะก็ด่าตอบเป็นบางคำน บ, บีเดินออกเลยอะ่ะท่านอบู บ, บกกัคก็เดินตามน บ, บีมาแต่วยาสุูละล้อเดินออกมาทำไมน บ, บีก็บอกว่าฉันเห็นว่าอะก็ ตอนที่คุณถูกด่าใหม่ๆเนี่ยคุณไม่ตอบเมราัายกาเนี่ยมาด่าตอบแทนคุณอยู่เนี่ยุณออ่ญญานนี้ลงมาว่าอิลามากอดวบูฮุมยักฟิรุนนี่ก็เรียกว่าสาเหตุของการประทานอัลกรุรอานลงมามาปลอบใจกใันมาพูดชมเชยท่านอบับุบัหรือว่าชมเชยนั่นน่ะในสมัยอดีตที่ผ่านมาใครบ้างอ่ะนบียูซุฟถูกโยนใส่อะไร ไ่บอร์ใช่ไหมนะแล้วก็ติดคุกตอนเป็นใหญ่แล้วเนี่ยอำนาจมีแล้วเนี่ยมันน่าจะแก้แค้นใช่ไ้ยมีคนถามว่าชีวิตคนคุณเป็นยังไงเขาก็เล่าอ่ะขอบคุณอลัลลอ์ที่อลัลลอ์ให้ฉันออกจากคุกขอบคุณอลัลลอ์ที่อลัลลอ์ให้พ่อแม่ของฉันเนี่ยพี่น้องฉันเดินมาจาก บ้านน อ, อกนะเข้ามาในเมืองแล้วก็ไซตตอนทำให้เราเนี่ยแตกแยกกันเอาหล่อให้ไหมพูดพูดแต่เรื่องใหญ่ที่ส่วนนั้นไม่พูดอะไรรู้ไหมจับโยนใส่บอ่อถามประจําเรียนไม่จําจําแม่นเลยอ่ะแต่ทําไมไม่พูดอ่ะนี่ไงต้องการจะอธิบายว่าอิรามาวรดีบูหุมยากฟิรุน่นเวลาเขาโกรธเนี่ย ทั้งจะมีอำนาจแล้นะวันนั้นนะสั่งอะไรก็แก่แค้นได้หมดเลยนะแต่ไม่ทำนี่อัลลอฮ์ชมอ่านนันกสอนพวกเราวันนี้คนที่อ่านกุอ่านทั่วโลกนี่แหละอะไรที่เราโกรธพอเขาด่าเราทำอะไรไม่พอใจเราแล้วโกรธไม่โกรธนะน่ะวัญหาสัยของมนุษย์ก็โกรธกันทุกคนละแต่ว่าโกรธแล้วเนี่ยให้อภยัยไหม พุมยักษ์ฟิลูนเขาให้อภัยไม่เอาเรื่องทั้งๆที่อำนาจมีความสามารถมีพวกมีเงินมีมีทั้งหมดนี่นแหละแต่ไม่ทำนี่นะอัลละฮ์ชมอ้าวต่อมาครับเรื่องที่สามเรื่องที่สี่อวันนี้มาเรื่องที่สี่วัลลัีนัสต์จาบูลรอบิหิมวกมะกามุสซาลา وأمرهم َُُْْ وأ شورا َُ بينهم ََُْْ و َ مما َِّ رزقناهم َََُْْ ي ُ ن ْ ف ِ ق ُ و ن َ وَالَّذِينَ اسْتَجَبُوا ا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ ش ُ و ر َ ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ْ วามิมมรอซาคนาฮุมยุมฟิคูนล้ามดูลิลข้อที่สามส่บ8ปนี่อัลลอฮ์เล่าถึงลักษณะหรือสิ่งต์ของมุมลินทั่วโลกก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละข้อที่หนึ่งที่สองที่สามอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หข้อที่เจ็ดมีกี่ข้อมีหนึ่งสองสามไม่ถึสี่ข้อเดวยวกัน อะไรบ้างปีน้องก็ดูดูดูดูคุรานะอวันละีนัสตาญาบูอิสตาญาบูแปวออนะ ล, ล, ลนะปว่าตอบสนองหรือตอบรับอิยาบนะอนีละศัพท์คำนี้ละอิยาบกบูลนะอืแปลว่าตอบสนองกบูลแปลว่ารับนะตอบรับวันละีนัสตาญาบูและบรรดาผู้ที่ตอบสนอง ลีร บ, บิมพระผู้อภิบาลของเขาเรื่องอะไรเรื่องอัลลอฮ์สั่งทั้งหมดตอบรับหมดเลยเรื่องนามาตอบรับไหมตอบรับเรื่องซาการตอบรับไหมตอบรับไม่ต้องประชุมงานนี้อย่ม่ต้องไปชุ ม, นน ม, ชมเรื่องทพาพยีตอบรับไหมตอบรับหมดเลยเรื่องที่อัลลอฮ์สั่งมาเนี่ยรับหมดในกรุงอานไดยะอื่นนะ คุรานอธิบายคุรานอายัก์อื่น อ, ธ, อ, ธ, อ, ธ, อธิบายอย่างนี้วัน ล, ละีนัสตาญาบุผู้คนใดก็ตามที่ตอบรับคําเชิญชวนเมื่ออัลลอฮ์นี่ชนเชิญชวนเมื่ออัลลอฮ์และรอซูนี่เชิญชวนพวกเขาเนี่ยตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลรู้ไม่ได้อะไรยุฮยีกุมจะทําให้ชีวิตชีวาของพวกเขาดีขึ้นอ่าเห็นยังอ่ะ คนที่ปฏิบัติตามบาล์ล้อและแต่รอซูนเนี่ยเชื่อตามบาร์ล้อแล้วรอซูนเพราะอัลลอฮฺเป็นเจ้าของศาสนาใช่ไหมนะถ้าคนที่ปฏิบัติตามท่านปฏิบัติตามบาล์ล้อปฏิบัติตามรอซูนเนี่ยนะชีวิตการเป็นอยู่ของเขาจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยประโยชน์จากการที่อิสตาญาบุหรือรอบิฮมิมตอบสนองหรือตอบรับพระผู้อภิบาลของเขาอัลลอฮฺอัลบัตถิยัม อธิบายกุณอ่านอายะอื่นเอามาอธิบายต่อว่าการตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺและรอซูนั้นไม่ใช่ามให้เราแย่ลงจนลงมีปัญหาเดือดร้อนไม่ใช่ไม่แต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรู้ตัวเรื่องปล่าเราปัญหาใหญ่ะเมื่อก่อนะเคยด่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ดา่าใช่ไห ม, มเมื่อก่อนเคยทะเลาะกับเมียเดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้นมาเยอะเพราะเราอ่านกุณอ่านนะ่ะแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากกุณอ่านแต่อย่าลืมว่านักคนที่ ปฏิบายความดีเนี่ยไม่ใช่มีแต่มีเรื่องไม่ดีมาทดสอบด้วยทดสอบพระธรรมสบัดเปล่าอาให้มีปัญหาให้เงินขาดแคลงบ้างให้มีมีปัญหาบ้างอะไรก็เพื่อทดสอบอะ่ะถ้าทดสอบผ่านทดสอบอัลฮัมดุลิลละรางวัลอันยิ่งใหญ่เต็มไปหมดเลยอย่าลืมว่าโลกดุนยาไปนี่น่ะไม่ใช่โลกแห่งการให้รางวัลนะยังไม่มอบรางวัลให้ใครเลยนะ นี่แต่ทดสอบอิปิติละทดสอบทดสอบทดสอบทุกคนถูกทดสอบหมดต้นเข้าใจตรงนี้ด้วยนะถูกทดสอบให้คนนี้รวยเองบริจาคเป็นป่าให้คนนี้จนอีวางตัวยังไงอ่ะเห็นไหมให้มีปัญหาเดือดร้อนเข้าหากุรอ่านหรือเปล่าเข้าหาหลักการหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะต่อมาครับข้อที่ห้าว่ากมุสลอละ นี่เป็นสิทติ์นลักษณะของมุมินนะที่อัลลอฮ์ชมในคีกุรอานข้อที่ห้าก็คืออักกอมุสลัดดำรงวัยเสื่งการนมาท่านคนที่นมาถ้าเวลานี่ครูนี่เอาลักษณะของที่อัลลอฮ์ชมในกภีกุรอานเอามาชายแล้วต้องห้าเวลาด้วยนะนามาแบบคูช่วนาะต้องครูช่วยนามาต้องคูช่วยเลยแ่ะ จะให้ครูช่วเนี่ยตาสําคัญทำตาตามองที่ไหนดีมองที่สุดจุดเวลารูกลัวตามองที่ปลายเท้าของเราเวลานั่งอตัตหยาเนี่ยตามองที่ปลายนิ้วมือโอ้โห <Allah. S 1> นี่ไงนมาศ5เวลาแล้วว่าเก็บให้หมดเลยนะนมาศุน า, ราตราวะทิปสิบส12รักขาตนบีพูดวว่าใครที่นม า, าตเราวะทิปวันหนึ่งสิบสองลักาต อัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เราอายุเยอะแล้วนะหกสิบแล้วเจสิบแล้วนมาทวิเตส ต, ต้องเก็บแล้วไม่ใช่เฉพาะใ น, นเดือนร م ض ا ن นะออกจาก رمضان ไปแล้วก็ต้องเก็บวิเตสนมาตะฮัดยุตนมาดุฮาเก็บให้หมดเพราะอายุเราเยอะแล้วเนี่ยมันใกล้ฝังแล้วใกล้จะไปลงแล้วจะไปอ่ต่อมาข้อที่หก ว่าอัมรุหุมชูรอไบนาหุมอัมรุหุมแปลว่ากิจการของพวกเขา อ, อ, อ, อัมรุนอัมรอในอุูมรกิจการของพวกเขาชูรอแปลว่าปรึกษาหารือกันไบานาหุมในระหว่างพวกเขากุรานอธิบายชัดง่ายด้วยจ้ยนะเนาะฉะนั้นลักษณะที่หกของมุมินจะต้องประชุมกันทุกเรื่อง อย่าออกความเห็นคนเดียวรู้ไหมประชุมเนี่ยท่านอิทิบุ อ, อ, อาราบีพูดบอกว่าคนที่นั่งประชุมกันเนี่ยสามารถเช็คสมองสติปัญญาของคนที่นั่งประชุมได้คนที่ฉลาดมีเปล่ามีคนซื้อบืมมู๊คไหมทีนี้คนที่ฉลาดเนี่ยจะพูดจาดีอ่าเป็นกันเช็คเลยนะ อ่านั่งกัน30มสิบคนยี่สิบคนคนที่ผู้จาดีมีพอพูดแต่ละคำเนี่ยคนต้องหันมาฟังอ่อ้ผู้จาดีการเช็คเช็คสมองในอิสลามสอนเหมือนเลยนะการประชุมเนี่ยเฉพาะเรื่องดุลยานะเรื่องศาสนาไม่ต้องประชุมนะเข้าใจนะยังนามาดอ่าแต่ยังนมาดอีอย่างาาเงี้ยประชุมได้นามาการแจ้งหรือนมาในมัสยิดเ่อฝนตกใช่ไหมก็ประชุมกันหลายๆคน ถ้า พ, พูดเรื่องประชุมเนี่ยวันที่ไซนาอมัตร์อดิยนล้อวานุเป็นคอลิฟะคนที่สองท่านนำน้ำมนนำน้ำมาร็อกอัดที่หนึ่งผ่านไปแล้วพอทำลุกขึ้นทำร็อกอัดที่สองมีศัตรูจากประเทศเปอร์เซียเนี่ยส่สงไปศัตรูส่งไปเป็น้องไปทาลายไซนาอมัตเลยอ่ะ ก็ทำลายได้ได้จริงๆด้วยเข้ามาแทงโขกโขกแผลล้วก็ล้มไปเรามาแทงซอบาอีกสามสี่คนเสียชีวิตในมัสยิดเลยแล้วเมื่อจับได้มันแทงตัวเองไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็เสร็จแล้วก็ก็ใส่นามาล้มไปเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาคำแรกที่เขาถามอะไรอะไรฉันนามาคบสองเราก็อจอยาง เห็นยังครับหัวใจก็ผูกกับใครโยมกับอัลลอฮฺถ้าเป็นราคงไม่ถามถามอย่างอื่นะให้ใครแทงบูว่าจับตัวได้รึเปล่าแจ้งตบรวจยังไงไหมจะออกได้รูปนี้แต่คนที่เขาปรึกอยู่กับอัลลอฮฺเนี่ยเขาไม่ถามเรื่องสกปรกอะ่เะเขาท้าว่าฉันน้ำมายครบสองเราก็อาจแล้วอย่างอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็พาไปเพราะท่านเสียชีวิตอยู่ดูแค่สามวันเสียชีวิต ตอนเสียชีวิตเนี่ยท่านท่านสั่งนะท่านสั่งลูกชายไปหาท่ายหญิงไอชาพยานาบีนบีเสียชีวิตแล้วนะช่วงนั้นถามบอกว่ า, วาถ้าฉันตายนะขอฝังคู่กับท่าน อ, อบูปรักได้นะไหมนายชาลูกชายท่านไซนา อ, อุมัดเนี่ยไปหาทีงไอชาทิงไอช า, า, อชาบอกว่า ในใจฉันอยากจะเก็บตรงนี้เอาไว้ให้ฝังฉันเองใช่ไหมล่ะเมื่อไนาอุมาศ ม, มาขอให้เลยเอา้าเอาไปเอาเอาไว้แล้วก็สั่งลุงชายเวลาไปขออนุญาตเนี่ยอย่าพูดว่าอามรุลมุเมเนนเพราะฉันหมดตำแหน่งแล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วอย่าพูดคำว่าอเมรุลมุเมเนนมาขออย่าพูด พูดว่าออมาสอย่งครับคนที่มีอักรากดีคนที่มีอีมานเนี่ยเขาไม่ยกย่องตัวเองเขาเขาไม่พูดเดนน่นนะนะไม่พูดเรื่องตาแหน่งเลยอมามเตะโอมานะขุดอุมาสเปนขอต้อมนะมาขอให้ฝังริมกูโบท่านอบูบากได้ไห ม, มานางนึกในใจตั้งนานแล้วว่าจะจะเก็บตรงนี้ไว้นะนะเอาไว้ฝังตัวเองพอมาขอให้เลย ยังเนี่ยนี่ถ้ารู้เรื่องประวัติศาสตร์เก่าๆนะ Allah อัลลอฮฺอัลลอฮมันยิ่งใหญ่จริง ๆ, ๆเอาต่อมาครับกระทวง บ, บางานาศาสนาทีนี้พอไซนาอุมัดเสียเสียชีวิตแล้ววันนั้นมีการประชุมกันจะแต่งตั้งใครเป็นคลิฟาคนที่สามที่ประชุมมีทั้งหมดหกคนนะท่านอุสมานท่านอาลีท่านตอลฮะท่านซูเบตท่านซาดอับดุลรามานบินอาอัอัลลอฮอนุม อิตตัฟกุอัลาตักดีมอุสมานอดีอัลลอฮฺอันหนลิลคิลาฟะอัสซาลิซะห์เขาก็เนี้ประชุมกันนี่ไงเขาเอาอ أ คลา ق สิฟัต์ที่อัลลอฮ์กาลในาการไปอุปอารวกิจการงานดุลยาเนี่ยต้องผ่านการประชุมตุเชียเครื่องนัดในแต่นิดนีดปล่อยเพราะนะก็เลือกไซนาอุสมานขึ้นมาเป็นคอลิฟะคนที่ส นะครับไม่ใช่มาแย่ยงตำแหน่งไซนาลีไม่ใช่ครับนี่เข้าใจผิดหมดเลยนะครับแล้วก็ด่าคนอื่นด้วยนะครับเอาต่อมาก็ตรงลงว่าเลือกคอลิฟ้าคนที่สามนี่ผ่านการประชุมใช่ไหมนี่งก้คุณอานในยา น, นีกับวชูรอวะอัมรุหุมชูรอัอรรอบนะฮุมกิจการของพวกเขานั้นปรึกษาหารือกันในระห ว, ว่างวกเขาข้อที่เจ็ดลักษณะของคนที่ เป็นอิมานนะเป็นมุสลิม น, นะว่ามิมมารอจกกอนาฮุมยุมเฟกูลมิมมาแปลว่าจากสิ่งริสกีที่เราได้ประทานให้กับพวกเขาใชา้ใช้ภาษาดีนะเราได้ประทานเนี่ยร้อนเล่ า, ลาเองนะเราได้ประทานริสกีให้กับพวกเขา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเล็กๆน้อยๆเอามาบริจาคไม่ใช่บริจาคทั้งหมดบริจาคทั้งหมดมีอยู่คนเดียวใครแต่กีนี่ยเชิญแล้วขายอบูบากแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีแล้วล้อก็สั่งว่าอย่าบริจาคหมดนะหัวมิมมาโรซ า, ากนาะฮุมยุูฟิกูนและพวกเขาบริจาคนะครับบางสิ่งบางอย่างเครื่องอยังชีพที่เราได้ประทานให้กับเขาก็บริจาคให้กับสังคม อย่างนี้เป็นชนมานาบุละสันอธิบายดีคนรวยเนี่ยต้องไปยื้ออยู่หน้าบ้านคนจนส่วนคนจนเนี่ยเป็นคนจนที่เลวนะชอบมายื้ออยู่หน้าบ้านคนรวยเห็น ไ, ไหมนี่เอาความรู้จากบลญละมาอัลลอฮ์เอามาม า, มาอธิบายกุรนิสัยอัลฮัมดูลิลละมาซฮอัลลอฮ์ตลงว่าทั้งหมดมีกี่ข้อนะเจ็ดข้อเอาต่อมาข้อที่ข้อที่แปด والذين إذا أصابهم البغي هم الب ينتصرون ย่าที่สามสบเก้า والذين إذا أصابهم البغي هم الب ينتصرون والذين إذا أصابهم البغى هم الب ينتصروا อัลลอฮชมนะอัลฮัมดุลิลลัลลักษณะของมุมินข้อที่8แปลว่าอิจ่าแปลว่าเมื่ออัลลอฮ์บะฮูมแปลว่าเกิดขึ้นหรือมาประสบกับเขา เกิดขึ้นกับเขาหรือมาประสบแก่พวกเขาอะไรครับอัลบาคยูหมายถึงการอาธรรมการละเมิดขอบเขตการเบียดเบียนการลุกลานเช่นตัวอย่างเอาวันนี้เลยนะคนฮินดูดา่นานบีมุฮัมมัดที่ที่อินเดียมีสองคนนะไม่เอ่ยชื่อใครมีอยา่างหยาบไม่อยากเอ่ยอะนะแล้วมุสลิมเนี่ยในอินเดียนะเขาเดิน ประท้วงกันเป็นแสนคนเดินประท้วงเลยนะในมาเลเซียเดินประท้วงในปาในปากีสถานใ น, ในหลายประเทศท่านคนที่มีอิสลามเมื่อท่านนาบีถูกตำหนิความจริงนบีถูกตำหนิมาตลอดอัลลอฮ์ก็เล่าดักับอีกราหอยู่แล้วยิ่งถูกตำหนิอิสลามยิ่งจเจริญโอ้ตรงนี้ตั้งหาก ข้อานอาานายครับนบีหลังจากยึดนครมักกะอัลลอฮ์ Allah เลา่าว่าไยตคูลูนอฟีดีนิลลฮิอัฟวาเจาท่านจะได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยคนเนี่ยเข้าหาอิสลามเข้าหาหลักสนาของอัลลอ์เป็นหมู่หมูและขณะเดียวกันนบีก็ถูกตาหนิในในยุโรปมาตาหนิมาแล้วใช่มเนี่วันนี้พอหายไปกี่กี่ปีพอโรคโควิด จบเริ่มในอินเดียก่อนเลยเป็นอย่างครับแต่มุสลิมคนไทยนั่งกันเงียบเลยดีมากเลยทำตัวดลเลยไม่มีใครออกมาโวยวายนะแต่พวกเราก็คุยกันตรงนี้แหละนะเราก็ต้องทำอะไรไม่ได้ก็ขออุอาขออย่างงี้ก็แต่เราหุมลุลลออัลลอฮ์จัดการแทนก็แต่เราหุมุนมาจากกอตตาลาไปว่าค่า ขอเถิดเุมง ล, ละอัลลอฮฺจะจัดการแทนแจกการพวกเขาด้วยเพราะเราความสามารถไม่มีฉะนั้นที่น้องต้องฟังนะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกอาธรรมตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งถูกอาธรรมคนยิ่งดุคูลอิสลามรับอิสลามรับอิสลามรัอสลามโอัลลอฮฺให้นางครับ เวลาได้ข่าวว่าคนอิสลามอ่านอาบนี้ค <alternatives> รับ س ุบ ا าอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา์อัสตฟิรุลลอฮ์าบไยกยัง่นไม่ต้องพูดอิสลามแน่อย่าอัสตฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตะฟิรุลลอฮ์าษาบบฮัมดรอบก็วัสตฟิรุตรงนี้อธิบะไปอันนี้อาจจะแว่าเมื่อคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นที่นั่นบางที่นี่บางใช่ไหม ที่สันติชนเนี่ยในช่วงนี้มันปิดนะปิดเทอมมาได้ปิดโควิดนี่นะในช่วงเปิดเนี่ยทุกอาทิตย์เลยเจ็ดคน8ปคนถึงสิบคนนะมาได้ไงอะ่ะเอลเ่ายอ่ะห้ามด้ลยแล้วนะครับวันะดีนซาอัาบะฮูมุลบายุและบรรดาที่เมื่อมีการอาธรรมเกิดขึ้น คำว่าบัคยุนอนธะิบายได้หนึง่งมีการละเมิดเกิดขึ้นมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมีการรุกรานิสลามนะลุกรานพูดตําหนิลอล้อตำหนินบีตำหนิกุรอานจะเป็นใครก็ตามสามนี่นะเี่สามสีีส่นี่ะสรายการนี่เป็นอะไรนะสรายการนี่นะเป็นตัวกันเนะเป็นตัวดูแลโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ หนึ่งคุรานสองใบตุลลอสามนามาตสามสี่รอซูลุลลอสี่อย่างนี้ประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่เพื่อให้คนกาเฟทเที่ยวให้เพลินเพื่อให้คนกาเฟทได้หันมาสำนึกตัวให้คนกาเฟทท่าไม่สานึกตัวก็จะเพลินไปเลยจ่กทังตายอ่ะฉะนั้นโลกใบนี้ มียุสีอย่างประคองให้โลกใบนี้มีชีวิตอยู่ได้มียุสีรายการหนึ่งรอสูลุลลอ์กิตาบุลลอ์ใบตุลลอ์สลาตุลลอ์สี่อยพไหมสิ่งที่ประคองโลกดุนยาใบนี้ให้อยู่ได้เนี่ยเพราะอิสลามหมดเลยนะหนึ่งอะไรกิตาบุลลอ์สองใบตุลลอ์สามรอสูลุลลอ์สี่ลาตุลลอ์นามาด อุรานอัลลอฮ์ใบตุลลอฮ์สี่รายการนี้ประคองโลกดุนยาไปนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้มุหมินได้ทํางานศาสนาดาว่าอิสลามเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่สุราคนกาแฟ่ก็สนุกกันไปเพลินกันไปทํากินากันไปด่า น, นาบีกันไปโอเคไหมถ้าไม่ตาบ้าตัวนะเองถูกแ น, แน่แต่บนดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่ไม่รีบลงโทษนะ พอความตายมาถึงขอหอยมาไหนเองเจอวันนั้นอยายุแบบใครฟันโอ้เงีย้ยเรื่องจริงครับ <c oughs> เอาต่อมาครับอยายุที่สี่สินะครับว่าจะาอุสรีเะตินสัยยะตุมมิสลุฮา فمن عفا وأصلح ف أ ج ر ُ ه على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء س َ ة ٍ س َ ي ة ٌ م ْ ل ه ا فمن َ عفا وأصلح ف أ ج ر ُ ه على الله อินนุห์ลาญูฮิบุฎัลลิมิน الحمد لله الله บอกบทคุณอ่านเตือนเราให้ความรู้กับเราอายะที่40อายะที่33ถึง39เนี่ยเลือกอธิบายนะอัลลอฮ์ชมมุมินเป็นผู้ที่กล้าหาญอ๋อผู้ที่กล้าหาญน่ะ เวลามีการอาธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่นั่งจองไม่ใช่อย่างในอินเดียเขาเดินขบวนเลยใช่ไหมเป็นแสนน่ะแต่คนนั่งจองในระหว่างน่ะเป็นพอใจก็หรือเปล่าอันตรายมันก็ น, นะฉะมั้นเราต้องพูดอะไรบ้างให้ให้พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าในอินเดียมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะฮินดูดานาบีอยู่ต้องบอกลูกเราด้วยบอกภรรยาด้วยเนี่ยเขามีเขามีการด่ากันเกิดขึ้นแล้วนะเราทําไง อย่างนอกต้องขอดว้วยไมา่ใช่นั่งเฉยๆต้องขอดว้วยก็ตอนเราโมาอรอจัดการแทนแทนด้วยจัดการพวกเขาแทนเราหน่อยเพราะเราไม่มีความสามารถนะครับถ้ารวมกลุ่มด้ก็รวมกันไปเดินปีสี่ข้อนยังดี <c ười> อ า, อาว่จาจะจะอุไซอัตินไซอะตุมมิสลหายาจะนี่แปลว่า ก, การตอบแทน ประกาศอธิบายย่าที่3ามนี่แหละว่าจาอุสรยยีการตอบแทนความชั่วไซ อ, อุนคือความชั่วมิสลาเยี่ยงนั้นนี่อัลลอฮ์เปิดไฟเขียวแล้วนะถ้ามีใครมารังแกอิสลามมารังแกดาคุรานดา ن บีดาอัลลอ แก่แครนได้ไหมได้นีเปิดไฟเขียวแล้วนะเห็นยังยครับเมื่อเปิดแล้วเราก็ทำไปแล้วไงเดินขบวนใช่ไหมต่อต้านในอินเดียนี่นะเดินขบวนนะแค่เดินขบวนนะม่ได้ดาใครด้วย <c oughs> ต่อมาฟรมานาฟะวักนี้ตะหากนผะู้ใ ด, ดที่อภัยไม่เอาเรื่อง อ, อัลลอฮอัลลอ ถ้าอาภาัยดีหรือไม่ดีอ่าแต่ไม่ใช่นั่งเฉยๆนะเล่าให้คนฟังด้วยให้ภรรยาฟังด้ให้ลูกฟังด้วยให้มะมมซิมัสลิตรู้ด้วยมันมีปัญหานี่เกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่เอาเรื่องอ่าเดินกระบวนแค่เดินแค่เดินเนกระบวนอย่างเดียวนะไม่ได้ทํไม่ได้ไปพังบ้านใครร้านใครเปล่าเดินกระบวนอย่างเดียวอังนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ ว่อัสล่าฮาแล้วก็ปลองดองก็ส่งคนไปสิไปเรียกไอ้คนนั้นน่ะไอ้ไอ้คนที่ด่ามามาเนี่ยมานั่งคุยกันหน่อยเอาคนที่มีความสามารถในการเจรจาด้วยไปเจรจาไปพูดไปคุยซะนี่เขแนะนํเอาเราแนะนํามาไว้น่ะฉะนั้นถ้าให้อาภายัยว่าอัสล่าฮาแล้วก็ปลองดองฟาอุรูหูรางวัลของเขานั้นอลัลลอฮฺ เป็นหน้าที่ของ Allah ห u า h a n a h u wa Taala ใช่ไหมลมแก้แค้นได้ไหมได้แต่แก้แค้นอย่าแรงให้เท่าเท่ากันใช้ได้เลยแต่อภัยดีไหมดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นห้ามนุลลลาในอิสลามดีด้ไหมดีไม่ใช่ไม่ใช่ขี้คายกลัวไอ้ที่ให้อภัยไม่ใช่กลัวนะอยากให้เรื่องมันสันติ ยอมเสียหน้าน่อยไม่ไปได้เอานี่ผู้นำเนี่ยต้องเก่งอ่ ะ, อะผู้นำต้องเก่งนะผู้นำต้องเก่งขำนลย ด, ดีแล้ววาจาอุไส้อติัยุมมิลาฟะมน้ฟาวาอัลละฮฟอัจูอัลลอฮและการตอบแทน ความชั่วกับความชั่วเยี่ยงนั้นอ่าเห็นไหมนี่อาทิตย์อนุญาตให้แก้แค้นได้นะแล้วต่อมาฟ้ามันอาฟาเละผู้ใดที่อภัยไม่เอาเรื่องเออปล่อยไมไปแต่ต้องต้องเรียกแล้วมาคุยกันนะในอัวให้อภัยนะว่ า, นะาไม่เล่นงานหือนะเห็นไหมนะอย่างนี้เป็นต้นว่าอัสละฮ์แล้วก็ปรองดองกันมาปรึกษาหารือกันคุยกันให้รู้เรื่องนะ ฝ่าอายุรูห์อัลลอรางวัลนะครับรางวัลตอบแทนของเขาอยู่ที่ไหนครับอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของอัลลอ์มอบให้ครับคนี่รับผิดชอบตรงนี้อัลลอฮ์ฮะมดุลิลลาฮ์ต่อมาครับอินนั่วลาฮิบุลลออิมีนแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยลาบะว่าไม่อยู่ฮิบุบะว่า ชอบหรือรักแค่จริงอลัลลอฮ์เนี่ยมิทรงรักเ อ, อาซอเลมผู้อาจับอัลลอฮ์จัดการเองหินดูเดินกระบวนต่อต้านนาบีอัลลอฮ์จัดการเองเราแค่เดินกระบวนต้านเล็กๆน้อยๆนะครับตัวโลกเขาก็เดินกระบวนกันหมดแล้วนะอันนั้นเพื่อให้รู้สแสดงให้เห็นนะครับว่าเราไม่พอใจนะอย่างนี้เป็นต้ น, นะครับแต่เราไม่เคยไปฆ่าใครแล้วก็ไปพังร้านใครหรือไปเผาร้านใคร Yang di Hindu mengkepah rakan Muslim Malaysia, ini pentun. Atau ayat itu 41. Walaman walaman inta syara baghdzulmi, faulai kama alaihim min sabil. Walaman inta syara baghdzulmi. ฟาุล่าイค์มาัลัยห์มินสับิลอินตาสอรอเนี่ยมันแปลว่าผู้ใดนะล่าแปลว่าสำหรับผู้ใดก็ตามที่อินตาสรอแปลว่าปกป้องตนเองหมายถึงแก้แค้นอะ่า ปกป้องตนเองนี่ปกป้องชื่อนบีปกป้องนบีเดินขบวนต่อต้านนี่นะครับบ้าดาุลมิฮีหลังจากถูกรังแกซุลมุนแปลว่ารังแกหรือเบียดเบียนบ้าด้าหลังจากหลังจากฮินดูสองคนมาตำหนินบีแล้วเราก็แก้แค้นนี่เอาล้อชมนะผู้ดใดที่ปกป้องตนเองหรือแก้แค้น หลังจากที่พวกเขาหลังจากเขาได้เบียดเบียนหรือว่าถูกรังแก f a u อ a ikama alaihim min sabin ดังนั้นมา alaihim แปลว่าดังนั้นเหล่านี้มา alaihim แปลว่าไม่มีไม่มีทางใดๆด sabin tamni พวกเขา เห็นอย่างไปํำดาไปดามุสลิมที่เดินกระวนได้ไหมไม่ได้ไปตำหนิเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วทำแค่นั้นําอะไรทําทำเยอะเลยไม่ไปเผาร้านใครด้วยใช่ไหมแค่เดินกระวนตามถนน่างนี้มันจะยางนี้เป็นต้นนะครับวะละมานินตัสรอบะดซุลมิฟาุลัยกามาอะไลฮิมมินซาบินอัลลอ์เนี่ คุอานยาที่เรา อ, อ่านมันเหตุการณ์ขึ้นต้งกันพอดีเลยนะขดเ ล, ลเป็นการอธิบายคุรอ่านอายาในแบบเข้าใจง่ายง่ายอั ล, อลฮัมดุลิลลอัลลอฮอักบรฮัมดุลิลลตลงว่าผู้ใดที่ปกป้องตนเองหรือแก้แค้นหรือว่าตอบโต้หลังจากถูกเบียดเบียนถูกรังแกนะครับถูกดา่าถูกตํหนิ ดังนั้นเหล่านี้ไม่มีทางใดตาหนิพวกเขาเลยอ <الله radical. S 2> ัลลอฮฺว่ากันว่าห้มเดลิล่าต่อมายะาที่42 <fall> ค <asleep> ่ะอินนาม السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق อุล well ่าุค so. ่า لهم عذاب أليم الحمد لله الله أكبر อามาดูคับดูสับอินนามัสซาบิลขัแรกส1สอน่ะวักสุดท้ายใช่ไหมมาไลฮิมินซาบิลไม่มีขนทางใดตำหนิพวกเขาอายนี้ก็เหมือนกันอินนามัสซาบิน ผลทางตําหนิพวกเขาได้ว่าถ้าจะตําหนิพวกเขาได้เนี่ยอัลลอฮฺแนะนำนะตาหนิเพราะอะไรครับถ้าเขาไปปกป้องตัวเองเนี่ยตำหนิได้ไหมไม่ได้ไปปกป้องอิสลามปกป้องอัลลอฮฺปกป้องรซูลแล้วเนี่ยตำหนิก็ไม่ได้นะเพราะเขาถูกรังแกก่อนทีนี้คนที่จะจะได้รับการตําหนิจากจากชาวโลกเนี่ย อลัลลอฮฺดีนะสำหรับบรรดาผู้ที่ยาสุลิมูลผู้กดขี่ตังหาถึงจะได้รับการตำหนิจากประชาชนอลัลลอฮฺพอใจทุกประเทศต้องระวังตัวให้ดี่ะนะเป็นผู้ปกครองคนเนี่ยอย่าให้ชาวบ้านเขาเดินประท้วงอนะ่ะใช่ไหมเขาแค่เดินประท้วงนะขอแล้วไม่ได้ไนะก็ <c oughs> ต้องปะท้วงอนะ่ะทีนี้ ประท้วงเปประท้วงคนที่ยาสุลีมูลคนที่กดขี่ประชาชนอย่างฟาโร่เนี่ยกดขี่ประชาชนบ้างกดขี่ครับสั่งฆ่าเด็กผู้ชายใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เอาไว้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเอาไว้อะ่ะแล้วผู้ชายตายหมดนะยายจะทาอะไรอะ่ะรอฮุ่ยอควาสอ้วอาวผู้คนก็ต่อต้านน่ะครนํานบเมูซานําอ่ะตั้งนี้เป็นต้นอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับ ใครผิดฟาโรหผิดนี่คุรอานอธิบายชัดเลยนะอินนามัสบีนผนทางที่จะตำหนิอลัลลอฮฺนายาสุลีมู น, านาันนัสผู้ที่จะได้รับการตำหนิก็คือคนที่กดขี่มนุษย์เห็นยังพูดด้วยมนุษยนะ์นะไม่ใช่มุมินนะกดขี่มนุษย์ถ้ากดขี่แมวไม่มีปัญหากดขี่หมาก็กว่ากันไปถ้ากดขี่มนุษย์เนี่ย ก็เรื่องฮีมแอนเตี้อ่ะต้องให้เกียรติกับมนุษย์นะ่ะกับประชาชนอนะ่ะวนนี้มันก็อ้างประชาชนกันหมดเลยใช่ไม่ใช่ฉ <c> ะ <oughs> นั้นคนที่จะถูกตําหนิจากอัลลอฮ์ถูกตําหนิจากประชาคมชั่วโลกนั่นก็คือคนที่กดขี่ประชาชนคนที่เป็นรัฐบาลแล้วกดขี่คนเราก็มองดูเองก็แล้วกันไม่ตไม่ต้องพูดดังๆก็ได้ <c oughs> พูดให้ลูกฟังให้เมียฟังนี่นะประเทศนี้กดขี่ประชาชนอย่างนี้อิสราเอลนนะ่ะ ฆ่าพปาเลสไตน์ใช่หรือไม่ใช่ใช่เลยอะ่ะฆ่ามากี่ปีแล้วทุกคนเงียบหมดน่ะเพราะอะไระมันก็รู้ว่ามุสลิมเนี่ยมีตำแหน่งมีเงินระลืมอมาแต่างี้เป็นต้นใช่ไหมแต่มอนาบวษานพูดมากกว่าคือเป็นงี้เขาน้ามาตราวิกัน่ะนะุรอ่านก็อ่านผ่านผ่าน เขาก็จำคุณอ่านบางอญญายันเนี่ยมาถามอาจารย์ท่านครับเมื่อคืนนี้มา อ, อ่านคุณอ่ญญานอายันนี่ว่าอัลลอฮ์จะให้บันิอิสลอีนมาอยู่รวมกันก็บอกใช่จะให้บันิอิสลอีนมาอยู่รวมกันพื่จะฆ่ากันง่ายๆเ <c oughs> มื่อมารวมกันแล้วนะ่ะพอรวมกันหมวดทั่วโลกใช่ไหมพวกยิวมารวมกันจะมาพอมุสลิมอัลลอฮ์จะให้มุสลิมรวมกันภายใน เดือนสองเดือนเรียบร้อยเลยยิวตายอะ่ะโอ้เขมองได้ยังไงอะ่ะเรามองไม่ออกอะ่ะฉะนั้นวันนี้มุสลิมถูกรังแกตลอดเราไม่มีคนช่วยด้วยนะ่ะมุสลิมกับกัมเองก็ไม่ได้ช่วยมันไม่พูดซาอุดีอารเวตไม่พูดนะมุสลิมไม่ได้ช่วยอะ่ะแล้วก็ต้องปกป้องตัวเองมาตลอดใช่ไหมละ่ะวันนี้พี่น้องชาวพุทธเราก็เริ่มเริ่มพูดกันแล้วว่าเออปาเลสไตน์ถูกรังแกใช่ไหม ไปยึดบ้านเขาหาเขาเป็นโจนี่เอบอกเขปกป้องหาว่าเป็นโจนั่นก็วิธีพูดมันมีเยอะใช่ไหมล่ะบระเทอิสราเอลจะไปรวมตัว ก, กันที่นี่แหละที่บอลลีสตาร์นี่แหละแล้วก็จะถูกฆ่าในที่สุดคดิสเมยใช่ไหมพวกอิสราเอลไปไปแอบอยู่โคนต้นไม้ใช่ไหมพวกยิวนะต้นไม้พูดว่ามุสลิมมุมินมานี่ม่แอบไฆ่าเลยยกเว้นมีอยู่ต้นหนึ่ง ต้นไม้นี่ชื่อกอดกอดเรนรอกอบดาวกกอต้นเดียวที่เงียบไม่เรียกมุมินมาบวกนี่ยไม่แอบอยู่โคนต้นไม้ต้นกนตอนนี้ปูนอิสราเอลแล้วบุกแล้วเริ่มปลูกแล้วที่ผมกลัวรัฐบาลไทยจะสั่งมาปลูกเมืองไทยเนี่ยเสียวตรงนี้นะครับเอาต่อมาครับคนที่จะถูกตำหนิก็คือคนที่กดขี่ประชาชนสอง วายบราอูนาฟิลอารบิและก่อการกระด้างกระเดืองณนแผ่นดินนี่คุณอานพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่ใช่ไหมตรงเลยเรื่องการเมืองทั้งหมดเลยเห็นยัง วายาเบลนาฟิลอารดีและพวกเขาก่อการกระด้างกระเดื่องหนแผ่นดินเญังครับฉันมุม่งมิงจนต้องอ่านหนังสือครับต้องอ่านคุรานเล่มนี้เล่มเดียวศึกษาให้ให้เข้าใจเอแต่ละคําแต่ละคำของคุรานมีบรารักัดในชีวิตเยอะมากเลยวายาเบลนาฟิลอารดีพวกเขาก่อการกระด้างกระเดื่องณแผ่นดิน คนเหล่านี้เป็นคนที่ต้องถูกตําหนิครับบิรยริห ก, กีโดยไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมไม่มีปัญหาสิอะคุณ้ขโมยอาจับมาฆ่าก็ไม่มีปัญหาเจ้าก็อยู่ดีๆ เ, เขา ก, กดขี่พวกข้ากรอลัลลอยอย่างเดียวอะไปไล่ฆ่าก็แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างไอเพชรทองนะอิสลามจะคุมประเทศไทยไปยาก็แล้วอะเรือฮายีบางเรือรุนเรื่องนี้ก็หกทั้งหมดนะใช่ไหม อย่างเงี้ยต้องจัดการอย่างนี้บรรทุนนะครับอุลอยกาลาหุมอาซาบุลอาลีอุลอยกาแปลว่าเหล่านี้ลาหุมสําหรับพวกเขาอาซาบุลการลงโทษอาลีมุนเจ็บปวดอัลลอฮ์ลงโทษเองครับอัลลอฮ์จัดการเองครับ งานนี้เอาล้อไม่ปล่อยครับเองลอยนวนได้เฉพาะวิญญาณมาถึงขอหอยจบเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้ยวยนะคนกาเฟ่ลอยนวนได้กี่วันครับเฉพาะโลกนี้โลกเดียวเราจะมีอีกสองโลกใช่ไหมบัลซากมีใช่ไหมอัคคีร่ามีเองเจอเราม่ใช่คนโลกเดียวเราเปนคนสองโลกนะ ถามท่านพี่น้องเราเนี่ยเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งมุสลิมเองก็ตอบว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนี่ตอบเหมือนคนกาเฟสใช่ไหมเราเนี่ยเกิดกี่ครั้งเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งนี่ตายครั้งนี้เนี่ยนี่ตายครั้งที่สองแล้วฟื้นน่ะอีกครั้งหนึ่งเรเนเกมมาฟื้นครั้งครั้งที่สองตายครั้งแรกน่ะตอนอยู่ใน ตอนที่เราเป็นวิญญาณเป็นรู้วอยู่นะ่ะยังยังไม่ได้อยู่ในร่างนะ่ะคุรานพูดอธตบายั่นั่นคือชีวิตที่ตายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่นะแต่วิญญาณมีอยู่ยังมันอยู่ในร่างพอเราอพอวิญญาณมาอยู่ในร่างปั๊บมันกเรียกว่านะนี่ฟื้นเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต่อมาตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นอีกครั้งหนึ่งในวันเกียยมะฟื้นครั้งที่สอง ก็เข้าใจแบบนี้ที่ได้คนที่มีวันเกียร์มาเนี่ยก็ทําอะไรก็สง่างามหมดครับเอาต่อมาครับคือตอรงนี้ชีวิตนบีอ่าชีวิตนบีชีวิต น, บ, ตนบีเป็นคนแบบไหนเราก็น่าจะเอาอักษรากนาบีมาใช่บ้างมาใช่เรียนอย่างเดียวเลยมาดิใส่ใจอะไรเลยนะท่านฮัสซันฮัสซันนี่ลูกใครลูกัยนาลีใช่ไหม แม่ชื่อฟาติมาพ่อชื่ออาลีใช่ไหมถามถามพ่อฮัสซันนี่ถามพ่อตัวเองนะบอกว่าพ่อพ่อนบีเขาเรียกปู่ใช่ป่ะปู่สิพ่อของแม่เขาเรียกปู่ใช่ไหมปูนะ่น่ะเป็นยังไงเล่าให้หลานฟังหน่อยสนาลีเล่านะครับท่านนาบีเนี่ยปู่ปู่ของลูกเนะี่ย เป็นคนแบบนี้มีทั้งหมดสิบข้อนะท่านนาบีเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีไม่ใช่เครียดหน้าบึ้งไม่ใช่ไม่มีนะเอามาชา้เราเอามาใชา้นะนี่อัคราสนาบีนะเป็นคนอารมณ์ดีสองท่านเป็นคนสุภาพแล้วก็อ่อนโยนดีเลยไม่ดีห้ามดี๋ยวนี้ละ ข้อที่หนึ่งเป็นคนอารมณ์ดีข้อที่สองเป็นคนที่เรียบง่ายเขาเรียกว่าอัจู ด, ดูข้อที่สาท่านไม่เคยพูดจะหยาบหยาบคายหยาบโลนไม่พูดครับข้อที่สข้อที่ห้าท่านไม่เป็นคนโหดร้ายไม่โหดร้ายกับใครเลยกับลูกกับภรรยากับซาบาอลโลไม่เคยโหดร้ายกับใครเลยนะครับ ข้อที่หกท่านไม่เคยตะโกนเสียงดังตามตลาดหรือตามถนนหนทางไม่เคยตะโกนแถวเรามีบ่างถ้ามีต่อสต็อฟิลโลสต็อฟิลโลตะโกนเสียงดังก็เมียบ้างอะไรบ้างอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทเพราะนาบีเนี่ยไม่นะไม่ไม่พูดตะโกนเสียงดังตามตลาดหรือตามบ้านหรือตามถนนหนทางข้อที่แปดนบี เป็นคนใจบุญนะ่ะไม่ไม่ขี้เหนียวอ่าอย่าลืมนะใครมาข อ, อนี่นบีให้หมดนะ่ะสารบันที่อยู่บนหลังนบีไหลนบีข อ, อนบีให้เลยอนะ่ะอยา่างนี้ตินคนก็ต้องต้องรู้บ้างไปขอบ้านนาบีนบีคนเกลีใจคนนะ่ะให้ให้ให้หมดนัานแหลอย่าไปขอเยอะอ่ะต่อมาข้อที่เก้านบีไม่เคย เมื่อนบีทอ้อใจนี่นะนบีไม่เคยยุให้คนอื่นทอ้อใจตามนาบีนะเมื่อนบีเสียใจหรือทอ้อใจไม่ยุเองทอ้อใจตามกูนี่เออด่ามันด้วยไม่มีครับเมื่อทอ้อใจนบีจะอยู่คนเดียวนี่เป็นตน้นข้อที่สิบเมื่อท่านไม่ชอบสิ่งใดท่านจะวางตัวเฉยเฉยไม่ชอบสิ่งใด วางตัวเฉยๆเ่านี่ดาก็เลยพอไม่ชอบปั๊บด่าตูมเลยเอาเอานิสัยใครมาใช้อ่ะจากนั้นถ้าเรามีศาสนาฟังศาสนาที่เอากุร์ร่และเอาซุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอฝากว่า น, นี่นะเอาหนีสัยอัคราณนบีมาใช้เถอะและอีกสามข้อนบีไม่เคยทําเลยอีกสามข้อนบีไม่เคยท ำ, ยนยทำนหนึ่งนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยา ติดลงจำแล้วนะไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาไม่เคยทะเลาะ ก, กับลูกๆไม่เคยทะเลาะ ก, กับบรรดาสัฮาบะที่มหานบีนะบีไม่เคยทะเลาะไม่เคยยืนด่าด้วยไม่เคยเรื่องที่สองนบีจะไม่ทํางานอะไรก็ตามที่ผลและบุญในโลกอาคีรอไม่มีท่านไม่ทําเข้าใจ่าคืองานทุกอย่างที่ท่านทําต้องมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคีรอ ถ้าทำเฉพาะดุนยววาศาสต์ใจอย่างเดียวอาคริร้อนไม่ได้ท่านทำไมท่านไม่ทำครับข้อที่สามนบีจะไม่วางตัวเย่อหยิ่งจองหองดีเลยไหมดีเนี่ยอัครากนบีครับฉะนั้นที่อิสลามได้เจริญเติบโตมาถึงวันนี้เพราะอัคราของนบีนั้นเอามุสลิมวันนี้ใชาอิสลามเจรนะิญ่ะว มาที่คองเสิรตสิมาดูใครอนะพี่นงเขาฟังตับสีกันนั่งกันเงียบนะมันต้องโชว์อักรากมันจะโชว์ท่านารามด์ไม่ใช่มันต้องโชว์อะไรจชอัครากขนดาดยื่นถูกด่าเนี่ยไม่ตอบมานั่งฟังเฉยอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะเอาต่อมาอายาที่เท่าไหร่อายาที่สี่สิบสาม و َาละมั sabrā wa qafarā inna z a l i k a lamin ใช่เปล่าว่าละ s a b r wa a f a r ā inna z a l i k a lamin م الأمور ว่าละมั sabrā wa qafarā inna z a l i k a ละมินอัลอมูรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นสิ่งศักดิ์ของมุมสิมสิ่งศักดิ์มุมินนี่ยเลาลดชมนะเอาไปใช้เลยนะผู้ใดแน่นอนผู้ใดที่สอบารอไปวะไรอดทนอดทนนี่เป็นงานใหญ่มากนะครับ ที่อิสลามเจริญมาได้ถึงวันนี้เพราะนาบีอดทนซบาบ้านนบีอดทนทั้งๆที่นอนบนเสื่อกันนะรอ อ, อัลกุบะต์ไม่ใครนอนบนที่นอนนิ่มๆใช่ไหมไปสงครามกลับมานอนโคนต้นไม้เวลาพักผรโอ้เห็นยังครับอันอดทนขนาดไหนขนาดดาบมาจี้คอนี่ไซน่าอาลีใช่ไหม ถูกถมน้ำลายใส่หน้าให้อาภัยอะ่ะนี่ไม่ไ ม, ไม่อดทนอะ่ะอดทนหมดเลยครับนบีก็อดทนไปสอนสาศาสนาที่เมืองตออีฟถูกสามรายการใช่ไหมถูกไล่ถูกดา่าและตุกรอีกถูกขว้าด้วยหินนบีแก้แค้นป่ปาวทั้งทั้งที่โอกาสแก้แค้นมีไหมมีมารายการลงมาช่วยนะบอกไม่เอาครับนี่นะซาบัดจากนั้น พวกเราวันนี้ก็เอาสิฟฝายของนบีนี่แหละเอาอักลรานาบีไปใช้ไ ป, ไปพูดไปอธิบายพว่จะเผยแผ่อิสลามมาอย่างนี้มีต้นนะอ๋อวาเลมสลาบารอและพูดแน่นอนพูดใดที่อดทนยกตัวอย่างอดทนนบีนวัวอดทนบาวนาบีบรอฮีมถูกโยนใส่ไฟโวยวายบาวไม่มีครับบีมมมัดถูกไล่เจอนครมากา โวยวายป่าไม่เคยโวยวายด้วยไปแก่เงียบงีบง้บแล้วอัลลอฮ์ก็ช่วยมาที่หลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอต่อมาครับวารอฟารอแล้วก็อภัยอัลลอฮ์อักบะตัน บ, บีให้อภัยเป่าให้อภัยฟาบาตัน บ, บีให้อภัยเปล่าให้อภัยอัลลอฮ์อักบุบะตันยิงอาชาถูกตำหนิถูกด่าว่าเป็นหญิงโสเภณีให้อภัยหมดเลยอะวันนี้พี่น้องชีอาอ ย, ย่างด่าอยู่เลย ดาวบ้านอบีดายิงอชาอยู่ยิงหับโดาหมดเลยนะเขาก็ให้อภัยกันมาตลอดนี่แล้วก็ยืนยันในการให้อภัยอย่าง น, นี้ตัวเพราะว่าลามันซบาลาวาฟรผู้ใดที่อดทนแล้วก็อภาายัยฟาอินนาเจอินนาาลิกแท้จริงงานนี้นะงานสองอย่างเนี่ยอภัยกับให้อภัยกับอดทนนี่นะ ล, ลามินลิมันลามินอาซมินอุมูเป็นคุณธรรมที่หนักยิ่งเป็นกรณีที่หนักหนักนะเล่าให้ฟังนะหนักนะแต่ใครทำได้ดีไหมดีมากครบจะนั่นงานหนักกับการให้อภัยกับอดทนเป็นงานหนักหมดเลยแต่ใครทำได้ดีได้ไหมดีอัลลอฮ์เดี๋ยวรางวัลอยู่ที่อัลลอฮ์ รางวัลอยู่ที่อัลลอฮ์ครับฉะนั้นนี่คุรานเตือนเรานะครับว่าถูกรังแกมีไหมแน่นอนครับถูกทำร้ายมีไม่มีถูกด่ามีไม่มีทำไงครับว่าสุดท้ายซอเบรออดทน ว, วรารฟาลให้อภัยอินนาซาลิกะนี่แหละเป็นกิจกรรมที่ปูมูธแป้ว่ากรณีเป็นงานที่อันหนัก ถ้าทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ก็อขอทูอ่านนะนะอลัลลอฮฺจะประทานความอะไรนะความอดทนให้แก่ฉันเป็นพิเศษด้วยเถิด อ, อากอรจะจบนะครับผมอ่านฮะดีษมา น, นะครับอีกห้าคาทีนะนี่ชายคนหนึ่งนี่มาหาท่านนาบีที่มหิดับดูอบูดาวูนะครับชายคนนี้นะ่ะเป็นคนที่ชอบ สวมเสื้อผ้าดีๆเสื้อผ้าสะอาดสะอาดดีราคาแพงๆมีไหมมีครับชาคนนู้น ก, กลัวนะใส่เสื้อผ้าดีสะอาดสะอ้านราคาแพงก็มาหาท่านนาบีปากกานอร้อยุลันจามีลันแต่ตัวดีฟาะกอนลารอัลลอฮ์ามาถามท่านนาบีอัลอฮ์สุลกอัลลอฮ์อินนีร้อยยุลุนฮุบบะอิไลล์จมาล ฉันนี่เป็นคนที่ชอบแต่งเสื้อผ้าสวยๆราคาแพงๆด้วยวอะตะตีตุมินฮูมาตรอฉันนี่ถูกมอบให้อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละแต่งตัวสวยราคาแพงมาฮัตตามาอุฮหบุไอยกูไอยฟูกอนีอาฮาดุนไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเด่นกว่าฉันอ๋อนี่มาพูดอย่างนี้ละ่ะ ฉันต้องแต่งตัวดีไม่อยากเห็นคนอื่นนแต่งตัวเด่นกว่าฉันถามนาบีอย่างนี้เลยนะนี่เป็นความรู้นะผ ม, ผมก็ดีใจนะเพิ่งพบอ่ะอย่างนี้เนี่ยแม้แต่เชือกรองเท้าของฉันก็ต้องมีราคาแพงกว่ารองเท้าของคนอื่นๆใส่รองเทาวว้าก็แพงใช่ไหม ใส่เสื้อผ้าก็ราคาดีสะอาดสะอ้านเนี่ยอย่างนี้น่ะเป็นตะก บ, บุตรไหมอาฟามินอลกิปริอย่างนี้เรียกว่าคนเยอะยิงจองหองอวดดีไหมถามนาบีเราสบายใจแล้ววันนี้นบีตอบว่ายังไงรู้ไหมละคนที่ชอบแต่งตัวสะอา ด, สอาดเสื้อผ้าดีๆใช่ไหมละ่ะมีเงินมีทองก็แต่งตัวให้มันสะอาด แล้วก็แม้แต่รองเท้าเชือกรองเท้าที่ใส่ก็เชือกรองเท้าที่ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดนี้นะถามท่านนาบีว่าฉันนี่เป็นคนตะการบุตรเยอะหญิงจองหองอวดดีไหมนบีตอบละนบีอธิบายนะคนที่ตะกับบุตรเป็นอย่างนี้คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงคนที่นบีสอนอะไรก็าตามแต่ฉันไม่เอาไม่ให้สุนัขนาบีเข้าบ้านฉันไม่เอาไม่เอาไม่ให้เข้าสโซราฉันไม่เอา ฉันจะเอาปู่ย่าตายายมาแทนอย่างนี้เขาจะนคนตะกบดเข้าใจนะเรื่องที่สองว่าก็มืตอนน้าคนที่ดูถูกเหยียดหยามนขน่มตังหากเรียกว่าตะกบดสองข้อคนที่เหยียดหยามคนดูถูกคนมองคนดูแคลนคนใช่ไหมตะกบดกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มาจากอัลลอฮ์และอัลลอซุนฉันไม่เอา เขาจะเอาปู่ย่าตายายมาแทนนี่เป็นคนที่ตะกำ บ, บุดส่วนแต่งตัวสวยๆเสืส้อผ้าราคาแพงๆอย่างนี้เขาก็เขาใส่ชุดมหารบีมานมัสยิดเนี่ยจะเรียกว่าเขาตะกำ บ, บุดได้ไหไม่ได้เพราะนาบีบอกว่าไม่ใช่คนตะกำก บ, บุดเย่อหยิ่งจงองหองคนเย่อหยิ่งจองหองก็คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงมีกุราน ฉันไม่เอา ฉ, ฉันไม่เชื่อเชื่อเป็นบางอายะฮ์สุานนะนบีมีไหมมีฉันเชื่อเปนบายะ์ถ้าค้านกับประเพณีฉันไม่เอาครับอย่างนี้เป็นคนตะกบุตรเยอหยิย่งจองหองอวดดีแล้วก็อลัลลอ์จะให้ตกต่าบ้านปลายชีวิตผมครับหมดเวลาครับสุฮานะกอลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะุเเลาอิละอิลลอันตอัาะะตุบิลัยาหในบ้าน